มาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อปเป็นแนวทางปฏิบัติเพราอว่าแนวการสอนในการเจริญพระกรรมฐ า, านได้สอนมาครบแล้วแม้ก็ครบหลายรอบหวังว่าบรรดาท่านนักศึกษาเพื่อปฏิบัติทั้งหลายคงจะจำได้ดีแล้วก็ทำได้ด้วย จากนั้นจึงจะไม่ย้อนลอยถอยหลังมาพูดกันบ่อยๆเพราะมันไหลรอบเป็นทีตอนนี้ไปก็จะนำมาเรื่องบุคคลตัวอย่างคือพระกุณดะกุนัตดดากะพระละกุณดากะพัติยะเทระทื <c oughs> ่ว่พระละกุณดากะพัติยะเทระเรื่องของท่านชื่ออย่างนี้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 ในเมื่อคันห้ามันเป็นภัยทำไมเราจึงได้มีคันห้าที่เรามีคันห้าก็เพราะอาศัยความโง่เป็นปัจจัย <c oughs> โง่หลงอยู่แนวหนาาของความรักโง่หลงอยู่แนวหน้าของความความโลกหลงอยู่แนวหน้าของความโกรธหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเรา นี่เราจึงได้มีคันห้าเมื่อเรามีคันห้าเรารู้ว่าคันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังเกาะคันห้าอยู่มันก็ไม่มีความสุขจะได้คันห้ามันอยากจะพังก็เชิญพังมันจะเป็นอะไรก็เชิญเป็นมันจะเป็นของมันมันจะพังของมันก็ช่างมัน เมื่อมันพังเมื่อไรเรากับมันถือว่าอย่า ก, กันเพียงนั้น <c oughs> <c oughs> ความผูกพันสำหรับคันให้จะไม่มีสำหรับเราจิตคิดอย่างนี้มันเป็นสุขได้ว่าในระดับแรกเราอาจจะคิดแต่เพียงสัญญาจำเขาว่ามาอย่างนี้เมื่อฉันใช้สัญญาทีทีปรากฏขึ้นปัญญามันก็เกิด <c oughs> ปัญญาถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไร่ความสุขใจมีเมื่อนั้นปัญญาตัวนี้ได้แก่ปัญญาเห็นขันห้าตามสภาวะความเป็นจริงว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงถ้าเรายึดยึเรายึดขันหา้าใจเรามันเป็นทุกขันห้ามีสภาพเปรียณตาคือสลายตนไปในที่สุด ไม่มีขันห้าใดที่มีความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระโยคาวาจรทั้งปวงจงวางภาระคือขันห้าเสียแล้วท่านจะเป็นสุข <c oughs> นี่จะพูดเรื่องพระลักุนดกะพระลักุณดะกะอธิยะเทระ ก็ดีขันห้ามันดันขึ้นมายุ่งก็เลยพูดกับมันก่อนต่อไปนี้ก็ข อ, อนํำมาเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระชินนวรีท่ทรงตรัสเพื่อเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านผู้ตบริษัทมาเล่าสู่กันฟังฟังแล้วจะจําหรือไม่จําก็ตามใจจําได้แล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามใจ ใครอยากทุกข์ก็เกาะขั้นห้าต่อไปใครไม่อยากทุกข์ก็ละขันห้าสิก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเป็นอนุเนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงทรงปรารบ ระลกุณดะกะพัติยะเทระตรัสว่าธรรมเทศนานิว่านเตนะเทโรโหติเป็นต้นความพิมบานความพิสบดาไมีอยู่ว่าวันหนึ่งเมื่อวาเทระนั้นไปสู่ที่บำรุงของพระศาสดาพอหลีกไปแล้ว บรรดาพิสุที่อยู่ป่าประมาณสามสิบรูปท่านใช้คำว่าประมาณในวรรคตังให้ดีเวลาใครเขาไปถามว่าจะไปยันมาสามสิบรูปตรงท่านใช้สั์ว่าประมาณสามสิบรูปนี่เป็นท่อยคำของพระอ น, นุนพอได้เห็นก็ถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งความเป็นอรหันต์ขมันดาพิสุทธิ์นันไลเหล่านั้นแล้วสมเด็จพระบาททีพแก้วจึงได้ตรงทับตรถามปัญหาว่าที่โกยดูก่อนพิสุทธิ์หันไลพระเทระองหนึ่งไปจากนี่พวกเธอเห็นไหม บัรดาพิสุทตน่นหลายได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภคะวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระาาพาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจาา้า <c> ข <oughs> ่าบรรดาผู้ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระเจาา้าค่าสมเด็จพระปรมสาสัสันดาจึงได้มีพระพุทธดำ ร, รัสว่าพวกเธอเห็นพระเทระนั้นใช่ไม่ใช่หรือ บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นสมณเณรรูปหนึ่งท่านั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสนาจจะมได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าพิกเวดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายนั่นไม่ใช่สมณเณรนัน่นเป็นพระมาหาเทระ อนดาพิสุทธิ์ทนหลายกราบทูลว่าเธอยังเป็นเด็กเล็กนักนี่พระพุทธเจ้าค่ะทำไมจะเป็นมหาเถระได้องสมเด็จไปจอมไตรบรรมาสันดาจึงตรัสว่าพิเวดูก่อนพิสุทธานหลายเราไม่เรียกเถระคาว่าเถระนี่ก็แปลว่าพระผู้ใหญ่จำให้ดีนะ เทระไม่ใช่แปลวะ่าเถินไอเถินั่นมันมีสองเถินถ้าคําว่าเทระสระเอทอถงเขาแปลว่าผู้ใหญ่ถ้าเถนะสระเอนอนเองเขาแปลว่าหัวข้าโมยแปลไม่เหมือนกันจําไปด้วยฟังคําว่าเทระเทร ะ, ทระแล้วก็ทราบประพระผู้ใหญ่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่ องค์สมเด็จพระจอมไตรยตรัดว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเทระเพราะความเป็นคนแก่เพราะสัตย์ว่านั่งบุนอาสนะของพระเทระเป็น อ, น า, อาสนะคนเทระมาที่ว่านั่งขาน้าเขา <c oughs> ส่วนผู้ใดแทนตลอดอ่า ส่วนผู้ใดแทงดันหลอดสัจจะท่านหลายแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นี้ชื่อว่าเทระเ <c oughs> มือ่อพระองค์ทรงตัดดังนี้แล้วได้ตัดบาดประกาศถ า, าว่า <c oughs> เออคอมันยุ่งจริงมานี่นะบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพราะเพราะมีผมออกบนศีรษะ พูดภาษาไทยดีกว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะมีผมหงอกบนทิศะหรือว่าผู้มีวัยแก่รอบแล้วเราเรียกว่าแก่เปล่าอาลัลซิเมละจำให้ดีนะส่วนผู้ใ ด, ดมีสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญะและธรรมะ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 และมีร่างกายคลอมไปมีหนังเหี่ยวมีหนังยน่นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลเรียกว่าคนแก่ปเปล่าคือแก่แต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่นักเทศเขาว่าแก่ฟักแก่แฝงแก่แตงแก่น้ําเตา่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสู้แก่มาพระไม่ได้มันยิ่งแก่มันยิงนย่งมัน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 น้อมใจเข้ามาเคารพในศาสนาขาององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมมาสมพุทัเจ้าในปัจจุบันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพีสุสมณ น, นและก็ทราบความมุ่ง ม, มั่นในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีกิจ ท, ที่จที่จะต้องพึงปฏิบัติอยู่สามอย่าง คือหนึ่งอธิสีนสิกขาปฏิบัติสีนให้ครบทนทุกสิกขาบทไม่หโม ah ong, มหมองไม่บกพร่องสองอาิจิตสิกขาต้องพยายามทำฌานสมาบัติให้ทรงตัวสามอธิปัญญาสิกขาใช้พิจารนารู้เท่าทันสภาวะของขันห้า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 ที่เราให้คำปฏิยาว่านิพานัสสะสัชิกริยายะเอตังกาสาวังเกตวาจึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าจะขอพาพขฆ่าผ้ากาสาว่พัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพันธ์ถ้าจิตใจขมุนดาผู้ท่านทั้งหมดมีสัจจะก็ไม่ต้องเรียนอะไรพอเท่านี้พอ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 เพียงแค่เรามีกำลังใจเข้มแข็งทรงอยู่ในสัจจะบรมีเท่านีก้ก็พอสำหรับบรรดาทา่านพุทธบริสัทธ์ที่เป็นฆรวาสก็ทรงสัจจะไว้วา่ากิดบุญในกริยาวัตถุทั้งสามร ก, การหนึ่งทานนำให ม, มา่บุญสมัยใการบริจาคทานการให้ทา น, ทานเป็นปัจจัยตัด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 สองเรามีสัจจะอยู่ว่าสีละใหม่บุญสำเร็จในการรักษาสินที่องค์สำเร็จพระมหาโมลินทรงแนะนำสั่งสอนเราก็ส่งสินให้บริสุทธิ์สินห้าเป็นปัจจัยสำคัญถ้ากำลังปัจจัยของท่านมีกำลังใหญ่คือส่งสินห้าในครบเพว่บริบูรณ์เต็มอัตรา ต่อมาก็ยังมีศินแปดเข้าประจําใจโดยไม่ต้องไปดึงมายึดมาถือเข้าไว้นั่นหมายความว่าท่านเป็นพระอนาคามีการทรงศินห้าในดีก็เป็นปบสุนดากับสหิทาคารส่งศินแปดเป็นปกติเป็นจริยาของพระอนาคามีรายนิดหนึ่งเท่านี้คือโอนคือว่ากิเลสที่เป็นอนุใสทาลายเสีได้แผลบเดียวก็เป็นอหรหันต แม้แก่ภาวนาใหม่บุนเส้นเด็ดเดการภาวนานี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากไม่ต้องลงทุนไม่ต้องโรงแรงนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยก็เป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีอะไรลำบากกายลำบากใจนี่ความเป็นผู้ใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าต้องมีสัจจะ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 เห็นไหมสัตว์ธาตร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตเข้ามาใส่กายโดยเฉพาะนี่ธรรมะที่ต้องไปจําใจสองวิจิตรฉาเราไม่สงสัยในคําสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาปัญญาพิจนารณาแล้ว สามสีรพรตปราปารมีสินอันใดที่องค์สมเด็จพระบระทีตแก้วสมบัตทานเรารักษาให้ครบถ้วน <c oughs> สี่กามฉันทะกามกุณเป็นปัจจัยของโทษเราละได้ด้ว ย, วนยนหน้าสกายทิฐิขอโทษกายกตานุสติและอสุปกรรมฐานแล้วก็ห้าปฏิฆะได้แก่ความกระทบกระทังท่งเมียลงูนิชิโกรดอดรยู่เสมอ เราก็ตัดเสินได้ด้วยในอำนาจของพรหมีหานสี่หรือก็สินสี่และรูปราคะอรูปราคะความเมาในรูปประชันและในรูปประชันไม่มีสำหรับเราเห็นว่ารูปประชันและรูปประชันเป็นบันไดเพื่อแยกก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ตัวพระนิพพานแท้ มานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาไม่มีสำหรับเราเห็นว่าสัตว์และบุคคลทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทาใจให้สม่าเสมอ <c oughs> โอเตจะอารมณ์ที่ฟุ้งร้างคิดจะยึยับยัางความสุขไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่มีสำหรับเราตั้งจิตใ จ, จเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพาน อวิชาตฉันทะกราคะเต็งสอมรายการคือความใจคำความพอใจเป็นเทวดาความใจความพอใจเป็นพรมและมีความพอใจเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราจิตมุงมม่งมั่นจะ พ, พน้นมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานทรงธรรมะอย่างนี้ไว้เท่านั้นทุกท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่เห็นมีอะไรยาง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 ปรากฏว่าบรรดาพิสุทิ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นี่ด้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านตามที่นําเอาเรื่องนี้มากล่าวแก่ท่านทั้งหลายก็เพราะว่าถ้าจะสอนก็นตามแบบฉบับแม้เขาคงไม่ไหวเมื่อยปากาเปล่า เพ่อไรเราสอนกรรมายาวแสนยาวกรรมฐานสีส่สิบไม่รู้กี่รอบมหาปฏิปทานแนสูตรไม่รู้กี่รอบว่ากินอากะรอบๆบตัวเป็นคําสอนแนะนําสอนกรรมาไม่รู้กี่รอบตอนนี้เราก็เอานําอุบุคูลตัวอย่างมาพูดสู่กันฟัง นี่ถ้าต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่าใครละเป็นคนจริงจังต่อการที่จะหวังความสุขส่วนตนเพื่อทำจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้การนิพพันห้าสามเณรน้อยถึงมีอายุเพีงยงเจขวบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถามท่าทางหลายเหล่านั้นว่าเธอเห็นพระมาหาเทระไหม <c oughs> นั่นความจริงองค์สมเด็จไปจอมไตรสอนเธอเพียงเดียวเดียวเธอก็เป็นพระอรหันต์นี่นก็อย่าไปนั่งแก้ตัวนะว่าเด็กไม่มีอารมณ์มากเด็กไม่มีนิวรณ์มากความจริงนิวรณ์หรื อ, อารมณ์ไม่มีความสําคัญความสําคัญมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของใจ พราถ้าเรามีกำลังใจว่าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำจริงๆถ้าสิ่งนั้นมันไม่สำเร็จผลตามที่ตนตาณนาเรายอมตายเสียดีกว่านีร่ระบรรดาพโยคาวจรทัหลายโดยทานนากระแสะพระสัทธรรมเทสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัส สมเด็จผู้ทรงสวัสิทรงคัดถ้อยคําที่มีประโยชน์จมรนดาท่านนลายแาะว่าท่านนันไลเป็นผู้มีความไม่ประมาทแล้วหวังว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่สอนไว้จะเป็นปัจจัยให้ท่านไหลมีความสุขเข้าถึงอรหัตตผลเป็นอธิยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าจบ ก, กิจกัร อรันดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านมองดูเวลาก็าหมดเส็จแล้ววันนี้ก็ขอรดแต่ไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อตีนี้ไปอรันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัยตามอิริยาบถทั้งหลายที่ท่านเห็นว่าสมควร